เปิดผ้าดูเห็นเศรษฐีมันก็เลยผูกอาคาดในเศรษฐีนั้นเอาเถอะเศรษฐีตอนนี้มันดูถูกเราเนี่ยวะไม่ใช่มันก็ดูถูกจริงๆน่ยไม่ใช่ดูผิดว่างั้นแต่มันก็เป็นโจรจริงๆจะว่าดูผิดได้ยังไงก็ดูถูกชัดๆเลยว่างั้นแตอบเพราะมันทําความผิดเนี่ยจะว่าดูแอบจะว่าดูผิดได้ยังไงมันดูถูกเลาว่างั้นแต่แอบว่าอันนี้เป็นโจรนี่ยมันเป็นโจรชัดๆว่างั้นแต่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 ه, เศรษฐีเราเอสงสัยแล้วสงสัยไอ้นั่นเราไอ้ที่เราไปเห็นนั่นอะ่ะมันคงจะโกรธให้เรากะมั่งจากนั้นมามันก็ไปเผานาเศรษฐีเออคล้ายๆว่าอะไรของเศรษฐีมันจะไปรังแกเบียดเบียนหมดเศรษฐีก็นึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็คิดว่าไอ้นัทแหะไอ้ที่ไปพูดอยู่วัดนั่นะ่ะ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 โจรคนนั้นก็บอกว่ากับผมคิดว่าจะมาเพื่อจะฆ่าท่าน่ะวันนี้ทางวันท่านพูดในสิ่งที่มันไม่ดีแต่ที น, นี้ท่านพูดเออมีจะให้ผมผมทําคิดทางไม่ดีถ้าผมขืนคิดในทางไมนดีต่อไปผมแผ่นดินต้องสูบผมแน่แน่เศรษฐีก็เลยถามว่าเรื่องอะไรเขาก็เลยเล่าให้ฟังตั้งแต่วันนั้น่ะตั้งแต่วันที่เศรษฐีไปเห็นเขาเนะ่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 พระพุทธเจ้าห้ามว่ า, ยารรอย่าทำแปลว่าคาสั่งสั่งว่าอย่าทำฆ่าว่าใครทำแปลว่าผิดคาสั่งผิดคาสั่งของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอย่าทำอย่าทำแปลว่าคาสั่งให้งดเว้นการฆ่าสัตว์ทุกอย่างอาธินาทานขโมยเขาทุกอย่าง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 ถ้ามีศินอยู่ในโลกมากหรือว่ทุกคนมีศินอยู่ในโลกโลกใบนี้โลกประเทศชาติในยุคนั้นสมัยนั้นเวลานั้นโลกก็จะตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะโลกมีศินคลุมคล่องแต่ถ้าว่าโลกในยุคใดขาดศินไม่ถือว่าศินเป็นสิน่งที่จําเป็นสําคัญต่างคนต่างทาําตาม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 จับออกมาช่งางหรือเาเนีเอยพอช่างนะก็ปล่อยให้เขาไปแหละท่นี่นั่นแหละอพอออาไปแล้วเขาไปทาอะไรเข า, าเอาเข้าโรงฆ่ า, าสัตว์เขาเชือดคอได้กว่าจะรู้ได้เนาะตายไปละพอเขาเชือดค อ, อพอตายไปแล้วกันั่นแหะเกิดอีก เ, อเกิดอีกในโลกนี้แหละ เ, เป็นหมูอีกอย่างเก้านั่นแหละ อ, อยู่เย็นเป็นสุขอีกอย่างเก่า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 เข้าชะลาไปพ้นที่สุดน่ะเวลาจะตาย น, นี่แหอกระแสกกระสนเออที่ไปเห็นดูแต่ทายังไงได้ก็ตายไปตายไปแล้วก็เอาลืมไปแล้วนีกลับมาเกิดใหม่เป็นเด็กต่อใหม่เกิดเป็นใหญ่ใหญขึ้นมาผลสุดก็ตายอีกนี่แหละวัตวุนของมนุษย์ชาติพระพุทธเจ้าเห็นแล้วมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้า